ขอความเจริญในธรรมจงมีแดท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่รลวบปูโพธิยานได้นำเสนอเรื่องทานกถากสีนกถาหามาโดยลำดับก็โดยนำปริยายจากที่ต่างๆที่ส่งจำแนกแสดงเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้เป็นประการสาคัญแต่ว่าการให้ทานการรักษาศีลก็เรียงกปกติธรรมดา หมายความมาให้ทานนั้นก็อยู่ที่ความรู้สึกมองเห็นคุณค่าของการให้ทานมีความรู้สึกที่ดีต่อคนซึ่งเราจะให้แล้วก็ไม่เสียดายในสิ่งที่เราจะให้พูดง่ายๆว่าในคนเราลดโทสะได้ในของเราลดโลภะได้ ในเจตนาเราลดโมหะได้มันก็กลายเป็นการให้ทานไปส่วนจะให้ในแนวสงเคราะห์ในแนวอนุเคราะห์ในแนวบูชาก็เหล่านั่นไปรายละเอียดแต่ว่าเมื่อกิเลสเขาลดลงไปได้ในสามจุดอย่างนี้แล้วเนี่ยทานด้วยพฤติการต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้โดยสภาพจิตที่พร้อมจะให้ทานเนี่ย ในเรื่องศีลมันก็เป็นสํำนึกที่มองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นคุณของการมีศีลแล้วก็มีความเคารพในไตรศิขาคือศีลศีลนสิกขาเนี่ยมีความเคารพในศีลและสิกขามีความเคารพต่อตัวเองมีความเคารพต่อพระรธนทรัย ประการนักษาศีนั้นไม่มีใครไปบังคับบงับงคับเราไม่มีใครมาตรวจสอบเราเราต้องตรวจสอบตัวเราเองเพราะฉะนถ้าเรารสึกรู้สึกดีต่อพรรัฒนาในยมีความเคารพหนักแน่นอยู่ในพรรัฒนาใจแล้วการรักษาศีลไม่ว่าศีนห้าศีนแปดศีน 10, สิบศีนอะไรก็ตามก็จําเดินไปได้ดีดเป็นการ ใจรักษาใจมากกว่าหมายความว่าใจเรารักษาใจเราเองมีการสำรวมระวังที่เข้าถึงใจแล้วอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวัญ า, าก็เป็นศีลไปโดยอัตโนมัติจากศีลเนี่ยไปสู่สักขะคาถาคือการแสดงโทษไม่ใช่จะได้เป็นการบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ แต่ว่าในสวรรค์นั้นเราจะพบว่าไปบรรยายไว้วิจิตพิสดารที่พวกิมานวัตถุต่างๆส่วนมากก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปนะฮะส่วนสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยกามาคุณทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ เราสามารถจะมองผ่านความสุขในหมู่มนุษย์เรานี้ได้เพราะว่าความสุขที่เราสัมผัสในโลกมนุษย์ที่จริงก็มีการลดหลั่นกันขึ้นไปมีการลดหลั่นกันขึ้นไปอย่างพวกคนทั่วไปพวกเศรษฐีพวกก็สุข บ, บ้างามากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ มันก็แสดงให้เห็นว่าในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ไม่พูดสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็พัฒ น, นาเอาไว้ถึงความสุขความสะดวกสบายต้องการอะไรกรณีนีดเอาได้อะไรอะไรเนี่ยแต่ก็อย่างบริโภคกรรมนะอย่างบริโภคกรรม ความสนใจในเรื่องสุขสวรรค์ในสมัยนั้นเนี่ยมันมีมากปรารถนาทิพปรศุขปรารถนาการที่เป็นทิพย์เพรา ะ, ะนันก็ทรงแสดงสวรรค์เชียจนเกิดความพอใจเสร็จแล้วก็หักมุมแต่การจะหักมุมหรือไม่หักมุมก็แล้วแต่นะครับอย่างในกรณีของพระยาศาส์นี่ก็หักมุมไปออกที่กามัติโนกืดโทษของกาม โทษของกามก็ทรงจําแนกไว้เป็นอันมากเช่นว่าเป็นเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงบ้างเป็นเหมือนกับเขียงหั่นเนื้อบ้างเป็นเหมือนกับถือก็ทรงก็เบทิงทวนลมบ้างก็แสดงแต่ละอย่างเนี่ยเห็นเป็นโทษของกลามทั้งหลายเนี่ยว่ามีการเผาหลนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ตัวการใหญ่จริงๆก็คือพวกกิเลส พวกกิเลสกาลพวกวัตถุกามมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นนะมันอยู่ก็มันในโลกมีพระอาหารหันต์ก็เจอกับวัตถุกรรมแต่ว่าท่านไม่ยินดีแต่นั้นเองเพราะวัตถุกรรมมันคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นลมแล้วนอนแข็ง ใ, ใครๆก็เจอมนันปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าเอาไวาจริงมันใจคิดอย่างไงแต่นั้นเอง แล้วก็เมื่อแสดงโทษของกรรมแล้วก็หาทางออกให้เกิดนิสงการออกจากการมผลคือความสุขความสงบความเยืยบเย็นปิติปราโมทย์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการละกิเลส ต, ต่างๆออกไปได้แต่ว่าทำยังไงจะละได้เสร็จแล้วก็ส่งแสดงในเรื่องของนิพพานนะฮะ ไม่ใช่เนื้อใประเด็นร อ, อริยสัจทั้งสประการอย่างที่ได้กล่าวไว้ในธรรมจั ก, กรวตนาสูตรเนี่ยอรรัตอริยสัจสี่ประการเนี่ยจริงเป็นบทสรุปรวมของธรรมเทศนาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยไม่ว่าจะแสดงที่ไหนก็ตามสรุปแล้วคืออริยสัจทั้งสี่ประการนั่นเองเพราะฉะ น, นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดง ไปถึงจบที่อริยสัจทั้งสี่ก็รวมแล้วก็เป็นอนุบุพิกถาห้าข้ออริยสัจสี่ข้อรวมไปแล้วเก้าข้อก็เรียกว่าอริยสัจเป็นสามุกังสิกธรรมแล้วก็ทั้งสองข้อนีรวมแล้วก็เป็นภูรานุศาสนีเป็นธรรมเทศนาที่สูงแสดงมากที่สุด ก็ว่ากันตามความจริงแล้วก็ในพวกทานพวกศีลมันก็อรียมรรคนั่นเองแล้วพวกสวรรค์ก็คือผลผลก็อยู่ในกลุ่มของนิโรธเป็นผลนระดับล่างนะครับส่วนกามาทินบนั้นก็คือทุกขสัต์นั่นเองแลเนคขมานิสง์ก็คือนิโรธสัต์ มันก็ทำไปทามาก็เปนเป็นเรื่องการเลสัตว์นั้นแ่ะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยก็ทรงทราบว่ายสากุละบุตรมีจิตส ง, งบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากมีวรมีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นสแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสุเมตไ น, นิโรธมรรค จากนั้นดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วแกพระยาศักดิ์นสถานที่นั้นดูดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมคือพร้อมที่จะยอมสีได้ก็ซักจนสะอาดขาวสะอาดแล้วพร้อมที่อมยอมสีได้ พอดีเหตุการณ์ภายในบ้านของทันยาศาเนี่ยมันดาของยาศาก็ขึ้นไปยังปราศารเมื่อไม่เห็นลูกจายจึงเข้าไปหาเศรษฐีแล้วก็ถามว่าท่านเอนยาศาสศของท่านหายไปไหนท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ส่งทูตกี่ม้าไปตามหาในทิศทั้งสี่ส่วนตัวเองก็ไปอย่างอิศิปัตนะมฤคธายวัน แล้วพวกรองเท้าทองวางอยู่ครั้นเข้าแล้วจึงเข้าไปในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทอดประเนตรเห็นเสถียรผู้เกลือบดีมาแต่ไกลครั้นแล้วทรงดำริว่าเชไหนหนอเราพึงบรรดาลอิธาพิสังขารให้เสถียรเกลือบดีนั่งอยู่ณทีนี้ไม่เห็นดาาัสกุลระบุตผู้นั่งอยู่นาทีนี้คือเนี่ยที่เราพูดกันว่าการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย พุะเจทรงประกอบไปปาฏิหาริสามประการคือที่ปาฏิหาริแสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหาริคือสวดสอบบูพื้นเพจะดิตอัตยาใสาแนวโน้มเอียงอินทรีของบุคคลเหล่านั้นก็มีพื้นฐานเป็นยังไงจะแสดงยังไงจึงจะให้เกิดผลดีงามแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ทรงวางธรรมะเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริ ปรกฏผลเป็นอัศจรรย์แก่ผู้ฟังในกรณีนั้นๆั้นแต่เป็นการใช้แนวผสมกลุ่ยที่เราพบในประธรมอเทศนานี้จะเจอบ่อยมากโดยเฉพาะอเทศนานปฏิหารการอุสาสนีปฏิหารเรียกว่าใช้ทุกครั้งเพราะต้องตรวจสอบภูมิหลังของคนผู้ฟังเสียก่อนทำไมตรวจสอบภูมิหลังเมื่อก็ไม่รู้จะเทศยังไงอ่ะ แต่พระเจ้า ก, ก็กาหนดพระไทยจะรู้ความรู้มันก็โปรงขึ้นมาเต็มกันทีนะฮะก็เรียกว่าจะไม่ก่อนไม่หลังเลยทำไปก็รู้ทะลุโ ป, ปรงไปไม่ใช่จะต้องสอบถามจะต้องศึกษาคิดคน้นอะไรนะมองปราดก็เห็นทะลุโ ป, ปรงไปเลยแล้ววางพระธรรมเทศนาให้สอดครับกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้ น, น, น ในขณะที่เขาฟังทำเนี่ยธรรมเทศนาก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปให้ตรงกับอัธยาศัยความคิดของเขาในขณะนั้นๆโดยผลของอเทศนาปฏิหารคือรู้ใจถ่ายใจของคนได้ตรงนี้ผนสังเกตว่าชาอิทธิปฏิหารยะสะอยู่ตรงนั้นเองแต่ว่าเศรษฐีไม่เห็นชาอิทธาวิสังขารคล้ายๆกับตอนพระ อ, องคุลิมาไล่ลา่ล า, ล า, น า, าเนี่ยพระยากรชาอย่างเงี้ยช้อิทธาวิสังขาร แต่นั้นใช่อย่างหนึ่งคือไปเหมือนกระชาแต่ไปเร็วองุวิละมานวิ่งยังไงก็ไล่ไม่ทันแต่ว่าถ้าดูแล้วก็ดูเดินธรรมดาแต่จริงแล้วก็ไปได้เร็วเป็นอิทธาพิสังขารเป็นคล้ายๆกับย่นปฏิพีนะย่นแผ่นดินแต่ว่าตรงนี้ก็อิทธาพิสังขารได้เรียกว่ากำบังกาย เคือทำสิ่งที่มีไม่ให้มีหรือทำสิ่งที่ไม่มีให้มีเป็นนิธที่ปฏิหารคู่กันแล้วแต่พระจงจะทรงใช้ในตอนไหนอย่างเช่นโรมาลพระญาติของพระองค์สาวสาวหลายท่านนะที่สวยๆแล้วก็หลงรูปตัวเองก็แปลเหมือนกันนะพระญาติโรจน์ญาตหลายหลายท่านที่หลงรูปตัวเองวิรูปปนันทาวิรูปปนันทาปนันทา ก็แต่และรูปเนี่ยหลงตัวเองท่านหละเป็นหญิงสวยจนหลงอายุตั้งเยอะแล้วบางคนเนี่ยเราดูว่าน่าจะสี่สิบกว่าแล้วท่านยังหล ง, งประมานพระเจ้าก็ทําสิ่งที่ไม่มีให้มีคือทรงมีรมิตรเป็นรูปผู้หญิงปรากฏอยู่เบื้องหลังเบื้องเบื้องประปิดแสดงคล้ายๆถวายงามพัดอยู่ท่านทัน้งท่านเหล่านั้นก็ได้พบเห็นแล้วก็เกิดสนใจปักใจอยู่ในรูปเหล่านั้น มาสมงบรดาในรูปเปลี่ยนแปลงไปเป็นแกช่ชราสนถึงอายุร้อยี่สิบปีนี่ในเวลาที่รวดเร็วนั้นเป็นวิการวิธีการที่ทำสิ่งที่ไม่มีให้มีตรงนี้ทำสิ่งที่มีไม่ให้มีเพราะฉะนเมื่อท่านเศรษฐีเข้าไปเนี่ยพ่อพระภูมิเอภาเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงเห็นยาศากุลระบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าคาอันนี้แปลกนะฮะคือแสดงให้เห็นว่าช่วงตรงนี้เลยช่วงที่พระพุทธเจ้าเทศอนัตตลกณนสูตรโปรดปัญจวัคคีแล้วเนี่ยคงอยู่หลายวันเพราะว่าเศรษฐีรู้จักแล้วพระเจ้าเป็นใครแต่ยาศากุลระบุตรนั้นเข้ามาเนี่ยโดยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แล้วท่านก็ยังไม่ได้เรียกพระพุทธเจ้าอะไรนะฮะไม่ได้เรียกพระผู้มีพระภาคอะไรภูจ่ารัตสังว่ามานั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านดูก่อนจยสาธิณี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่กัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอท่านเศรษฐีเรียกพระผู into into right. <ng> ้มีพระภาคแสดงว่าเศรษฐีต <t> ้องเคยพบแล้วก็รู้จักพระพุทธเจ้าเรียกพระผู้มีพระภาคเรียกด้วยความเคารพนะฮะเรียกด้วยความเคารพ แต่เรียกทั่วไปก็เรียกปสัสมานาโคดมหรือมหมาส ม, มณะอะไรก็เรียกไปแต่นี่แสดงว่าเรียงด้วยความขรึมเพราะในะข่าวคร า, าวที่เกี่ยวกับผู้เจ้าเสด็จมาโปรดปัญญวิคีที่อิสิปัตนะมฤดกทายวันก็คงไม่ไกลนะฮะเพราะในที่อื่นท่านส่งคนขี่ม้าไล่ตามลูกชายไปไปในสี่ทิศแต่ท่านเองก็เดินมาอิสิปัตนะมฤดกทายวัน ก็เดินมาก็แสดงไม่ไกล ย, ยาาสากุลังบุก็เดินมาก็ไม่ไกลเพรา ะ, ะนั้นผู้เจ้าไปเทศอยู่ที่นั้นก็คงจะเที่ยวบินทบาทแถวนั้นเพียงแต่ว่ายังไม่พบกันเป็นกิจจะลักษณะพอถ้าพบกันเป็นกิจจะลักษณะก็คงจะประกาศตนถึงพระรัณนาไรทั้งสามเป็นสานาเพราะท่านเป็นทเววายิกาอุบาสกนะฮะพ่อองพญาศานีรย พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าคือบ ด, ดีถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งบางทีท่านนั่งอยู่หน้าทีน่นี้จะพึงได้เห็นยศกุลบุตรผู้นั่งอยู่หน้าที่นี้ก็ให้ความหวังแต่ไม่ไม่รับสัง่งโดยตรงรับสั่งว่าบางทีท่านนั่งอยู่หน้าทีน่นี้จะพึงได้เห็นยะกุลบุตรผู้นั่งอยู่หน้าที่นี้ ก็นั่งกันอยู่ใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่ายาศสากุลบุตรเนี่ยท่านเป็นประโสดาบันท่านไม่พูดตนเองทีเองก็พอพระพุทธเจ้าประกันอย่างนั้นน่ะรับสั่งทํานองรับประกันว่าจะเจอยาศสากุลบุตรท่านก็วางใจก็ปรงใจอันนี้ก็ทําให้เกิดมันหมดเขาเรียกปาลิโพดคือไม่ต้องกังวลไอ้จิตใจที่มามาด้วยความกังวลเป็นห่วงลูกปัญญาก็ร้องโหมร้องไห้อยู่ที่บ้าน ตัวอยองก็ต้องรีบมาเพื่อหาลูกชายไปคืนให้พรนยายได้เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวแต่ก็โตนะฮคงโตเป็นหนุ่มแล้วเพราะว่าแต่งงานแล้วเนี่ยแต่งงานแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามีลูกหรือไม่แต่บอกว่าแต่งงานแล้วคนั้นเศรษฐีท่านก็ล่าเริงบรรเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่นาทีนี้แหละจากเขนยาสะกคุณระบุผู้นั่งอยู่นาทีนี้ จึงตะายบังคมพระผู้มีพระภาคขั้นนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อเศษรษฐีเกลือบดีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะชุดเดิมนะฮะทานกถาศีลกถาสากาักคาถากามมาทิวนกคาถาแล้วอานิสงสของการออกจากการมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าวเศรษฐีผู้เกลือบดีมีจิตสงบมีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์เบิกบานจิตใจเบิกบานจิตใจผ่องแผ้วแล้วจึงทรงประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัย น, นิโรธมกักข้อความตรงนี้เหมือนกันกันกนกบเรื่องของพยายศาสตนะ ร, รว่าดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุรีปราติจักมนถิน ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ได้เกิดแก่เศรษฐีผู้เกลือบดีหน้าที่นั่งนั้นแหลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมูลทินควรได้รับนาำยอมเช่นั้นฉะนั้นเศรษฐีผู้เกลือบดีได้เห็นทำแล้วได้บรรลุทำแล้วได้รู้ทำแจ่มแจ้งแล้วมีทำอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคํา เราจะต่างถ้อยคําที่แสดงถึงความสงสัยในพระสัทธรรมถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคําสอนของพระศาสดาไดทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาะสิทธิของพระองค์ไพร้อนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีอยากสู่จะเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและประสงค์ว่าเป็นศะนะัขอพระองค์จงทรงจำข้าพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรัจําจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป เศรษฐีนั่นก็ถือว่าได้เป็นอุบายศที่ถึงพ ร, รัลตนาใจเป็นคนแรกมันมีประเด็นที่ควรพิจารณาว่าธรรมะทั้งหลายนั้นที่จริงมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วผู้เจ้าเพียงแต่ค้นพบเพิดอรู้นี่คือค้นพบหลักธรรมะเหล่านั้นดักสัจธรรมล่านั้นแล้วนํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกเท่านั้นเพราะนั้นการกระทําของพระองค์ก็อุปมาตรงเนี้ยมันจะอยู่ในประสูนยต่งางๆนี้เยอะมาก เหมือนงายของที่คว่าคือแสดงว่าของมันก็มีอยู่แล้วแต่มันพว่ำอยู่พระเจ้าก็มางายให้ดูเปิดของที่ปิดก็แสดงว่าของมีอยู่แล้วแต่มันปิดฝาอยู่พระเจ้าก็มาเปิดให้ดูบอกทางแก่คนหลงทางก็แสดงว่าทางมันมีอยู่แล้วแต่คนเดินผิดทางเองพระเจ้าก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้แต่สองประที่ในที่มืดก็แสดงมาตรงนั้นเนี่ยมันมีของอะไรวางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่มืดมันบังเอาไว้ ผู้เจ้าก็ส่องประทีปพระไปคนก็เห็นแสงสว่างแล้วก็เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่บิดา ย, ยาศคาุณระบุตรพิจารณาภูมิธรรมที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นทีนี้เป็นพระอรหันต์แล้วพ่อก็เป็นพระโสดาบันลูกก็เป็นพระหันแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่าเมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยสาคุณบุตรอยู่จิตของยสาคุณบุตรผู้พิจารณาเห็นธรรมภูมิธรรม ท, รรมที่ตนได้เห็นแล้วรู้แจ้งแล้วคนแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะความไม่ถือมั่นยสาคุณบุตรไม่ควรจะกลับเป็นคืหัดบริโภค ก, กามเหมือนคือหัดครั้งก่อน ถ้ากะไรเราพึงคลายอิทธาภิสังขาร น, นั้นได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงคลายอิทธาพิสังขาร น, นั้นเถิดทีเครื่องบดีได้เห็นยสศกุลบุตรนั่งอยู่ครั้นแล้วได้พูดกับยสศกุลบุตรว่าพาะะา่อยสะมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญถึงเจ้าเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดครั้งนั้นยสศกุลบุตรจรังเลืองมองดูพระผู้มีพระภาค พระผู้มเมียภาคได้จัดแกเศษฐีผู้เครืบดีว่าดูก่อนเครือบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นจะไหนยสากุลระบุได้เห็นธรรมด้วยยาณทัศสนะเพียงเสกับภูเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมของตนตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วคนแล้วจากอสวรรทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่น ดูก่อนเครื่องบดียาสากุลระบุควรหรือเพื่อจะกลับไปเป็นขั้วปฏิบัติเหมือนเป็นขั้รครั้งก่อนเครื่องบดีก็กล่าบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระพรภาคเจ้าก็จัดรับรองว่ายาสากุลระบุได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสกปูเหมือนท่าน เมื่อเธอพิจารณาถึงภูมิธรรมที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอสาสวะตทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูก่อนเครื่องพอดียสศกุลบุตรไม่ควรจะกลับเป็นครือหัดบริโภคกาเมเหมือนเหมือนครืหัดครั้งก่อนเศรษฐีจังกลาบทูลว่าการที่จิตของยาศกุลบุตรพ้นแล้วจากอสาสวัตทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนั้นเป็นลาภของยาศกุลบุตรยสศกุลบุตรได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ขอพระผู้มีพระภาคมียศะกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะจงทรงรับพระตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุสณีภาพแล้วขั้นเศรษฐีผู้เกลบดีทราบการนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทําประทักษินก็กลับไป เมื่อเศรษฐีกลับไปไม่นานญาตศาสักุลบุตรก็ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาเพึ่งได้อุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเธอจงเป็นทุกข์มาเถิดแล้วได้ตรัสต่อไปว่าถ้ามารกลร่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดคือพระยาศาส์นี้ท่านเป็นพระอรหรันต์ ตอนกล่าวกับท่านอัญญากนากนัญญาไม่กล่าวอย่างนี้หรอกจงเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมาโลกล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่ตัวแต่งทุกโดยชอบเถิดแต่พระยศนั้นท่านจบพรหมจรรย์แล้วก็บอกให้ประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นเนติแบบอย่างแกคนอื่นนะฮะเป็นไปโดยอัตโนมัติท่านก็จบพรหมจรรย์แล้วเพราะงั้นจึงรับสั่งว่าจงเป็นภิกษุมาเถิด ทำมาเรากล่าวนี้แล้วจงประพฤติพรหมจรรย์แต่ไม่มีคําว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดเพราะท่านทําทีาท่สุดแห่งทุกโดยชอบแล้วท่านฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่พทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี